รัศมีที่ออกจากพระวรากายที่เกิดขึ้นจะหาไทยของท่านที่ได้รับจากวิปัสนาญาณอันนี้หาไทยของท่านที่เป่งสว่างเนี่ยทีแรกก็แค่จุดของหาทยวทูลูปต่อมาก็เป็นศาสตร์สามภาวราหาทยาวทูบงทั้งยวงเลยปลังงามมากนะเขา้าเข้ากระทบของหมหาพูด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 แสงสว่างขนาดนั้นนะเนี่ยพระองค์ไม่วิปริตมนสิการว่าแสงสว่างคือมากนเอาสินี่ไงปัญญานี่ไงความชัดเจนของการทำปริญญาอย่างรอบแล้วในยะตะถ้าท่านทั้งหลายเจริญนิพพานาถ้าปริญญาในยตะตาปริญญาเนะไม่ไม่ชัดเจนนะก็ไปติดแง่งอยู่ตรงเนี้ย ไ, ไปติดง่งแค่โอภาส์นี่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 ถึงแม้แสงสว่างจักปลันีสักเพียงใดใช่ไหมจักสว่างเจ้าสักเพียงไรนั่นแหละคือคือการวิจัยทุกาศาสตร์โดยยาตาปริญญาโดยตีเดนานะเป็นยามาอย่างช่ำชองแล้วเห็นเหตุเห็นปัจจัยอะไรทุกแง่ทุกมุมท่านเข้าใจหมดท่านเห็นอัตภาพด้วยความเป็นพรหมก็เห็นทั้งแนดีนาคตและในปัจจุบันท่านรู้ใช่หไหมท่านเข้าใจ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 เขาฟังว่ารมนี่คือเ็าประกอบในการนิสสนาวิเวกเป็นอัจฉาิยะใช่ไหมใจเขาถึงน้อมใจเขาถึงมุ่งมั่นใจเขาถึงไม่อะไรเอาวร์ในสิ่งอื่นมีไหมคนฟังธรรมในสมัยข้าพุทธกาลใจหวนถึงบ้านไม่มีหรอกใจท่านมุ่งมั่นในการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พิจารณาใครดรวนเพราะท่านรู้ว่าท่านกาลังประกอบกิจอะไรของท่านอยู่